ยาีเรียเื่องเหม็นลม <S <S 2> <S 2> <ห> อ, อาจารย์สอนสมาธิภาวนาที่มีประสบการณ์จะต้องรับมือกับลูกศิษย์ ที่ประกาศตนว่าบรรลุธรรมแล้วอยู่บ่อยๆวิธีการทดสอบอย่างหนึ่งที่ใช้การมานมนานว่าคำประกาศนั้นจริงหรือไม่คือการด่าทอลูกศิษย์อย่างรุนแรงจนลูกศิษย์ออกอาการโกรธในที่สุดนักบวชทุกรูปในพุทธศาสนาย่อมทราบดีว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า ผู้ใดยังมีความโกรธผู้นั้นยังไม่บรรลุแน่พระหนุ่มชาวญี่ปุ่นองค์หนึ่งมุ่งมันที่จะไปให้ถึงพระนิพพานในชาตินี้ท่านปรีกวิเวกเพื่อภาวนาอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบใกล้ๆวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งท่านต้องการที่จะบรรลุธรรมโดยเร็วเพื่อจะได้ใช้เวลาที่เหลือในชีวิตไปทำอย่างอื่น เมื่อผู้ดูแลวัดพายเรือลำเล็กๆไปหาท่านเพื่อจะส่งของประจำอาทิตย์พระนุ่มก็เขียนโน้ตขอแผ่นหนังอย่างดีปากากาขนนกและหมึกคุณภาพเยี่ยมท่านกำลังจะครบกำหนดการปรีกวิเวกเป็นเวลาสมปีและต้องการที่จะรายงานให้ท่านเจ้าอาวาสได้ทราบว่าท่านปฏิบัติได้ผลดีไปถึงไหน แผ่นหนังปากกาขนนกและหมึกมาถึงมือท่านในอาทิตย์ถัดมาสองสามวันถัดมาหลังจากที่ท่านได้ทำสมาธิและคิดพิจารณาท่านได้บัรจงเขียนคำประพันธ์สั้นๆบนแผ่นหนังคุณภาพดีโดยลายมือประณีตสวยงามที่สุดว่าพระนุ่มผู้ไม่ประมาทปฏิบัติสมาธิภาวนา ตามลำพังถึงสปีไม่เคลื่อนไหวอีกแล้วเพราะลมทั้งสี่แห่งโลกซึ่งหมายถึงโลกธรรมแต่โดยปกติแล้วฝ่ายเท ร, รวาดถือว่าโลกธรรมมีแปดคือมีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ โบราณอาจารย์มักจะเทียบโลกธรรมกับลมเพราะสามารถมากระทบเราได้ทุกทิศทางและเปลี่ยนทิศอยู่เสมอท่านมั่นใจว่าท่านเจ้าอาวาสผู้ทรงปัญญาเมื่อได้อ่านคำประพันธ์ที่เขียนด้วยลายมืออันประณีตบรรจงนี้ย่อมจะรู้ว่าบาัดนี้ลูกศิษย์ของท่านบรรลุธรรมแล้วพระนุ่ม บรรจงม้วนแผ่นหนังนั้นมัดอย่างระมัดระวังด้วยริบบิ้นแล้วรอเวลาที่สารจะถึงมือท่านอาจารย์วันเวลาหลังจากนั้นท่านวาดภาพว่าท่านเจ้าอาวาสจะยินดีปรีดาเมื่ออ่านคำประพันธ์อันแสนจะอัจฉริยะที่ถูกเขียนขึ้นอย่างสุดประนีตนั้นท่านเห็นภาพมันถูกใส่กรอบราคาแพง แขวนไว้ที่ศาลาใหญ่ของวัดไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านจะต้องถูกกดดันให้ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดในทันทีหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเมืองมันช่างเป็นความรู้สึกดีจริงๆที่ในที่สุดท่านก็ทำสำเร็จเมื่อผู้ดูแลวัดพายเรือเล็กๆมาถึงเกาะ ผสมของใช้ประจําอาทิตย์พระหนุ่มก็รอเขาอยู่แล้วผู้ดูแล ว, วัดมอบม้วนแผ่นหนังคล้ายๆที่ท่านได้ส่งออกไปเพียงแค่ผูกริบบิ้นคนละสีเท่านั้นให้แก่ท่านเขาเรียนท่านสั้นๆว่าจากเจ้าอาวาสด้วยความตื่นเต้นพระหนุ่มแกะริบบิ้นที่ผูกออกแล้วคลี่ม้วนแผ่นหนังนั้นทันที ดวงตาท่านจดจ้องอยู่ที่แผ่นหนังแล้วมันก็เบิกกว้างขึ้นเท่าไข่หา่านและหน้าของท่านก็เผื้อดขาวมันเป็นแผ่นหนังของท่านเองแต่ที่ท้ายประโยคแรกซึ่งท่านบรรจงเขียนไว้อย่างประณีดงดงามนั้นท่านเจ้าอาวาสได้ต่อเติมคำว่าตดลงไปโดยใช้ปากกาหมึกแดงโดยลายมือหวัดหวัดอย่างชุยชย และหยาบที่สุดทางด้านขวาของบรรทัดที่สองก็มีรอยเปื้อนหน่าเกลียดเขียนคําว่าตดด้วยหมึกแดงบรรทัดที่สามก็มีคําว่าตดด้วยลายมือเกลียดๆยังขาดความเคารพเป็นที่สุดเช่นเดียวกับบรรทัดสุดท้ายของบทประพันธ์นั้นนี่มันจะมากเกินไปซะแล้วไม่เพียงแต่เจ้าอาวาสผู้แก่ชารา จะโง่จนไม่สามารถตระหนักได้ถึงการบรรลุธรรมที่อยู่ตรงหน้าจมูกอ้วนๆของท่านแล้วท่านยังสุดจะไร้มารยาทและปาดเถื่อนที่มาทำลายงานศิลปะด้วยการเขียนคำหยาบๆลงไปอีกด้วยท่านเจ้าอาวาสช่างประพฤติตนเยี่ยงนักเลงไม่ใช่พระเป็นการสบประมาททั้งงานศิลปะขนธรรมเนียมและความจริง ดวงตาของพระนุ่มรีลงด้วยความโกรธเคืองหน้าของท่านแดงกำ่ำด้วยแรงมาณะและโทสะแล้วท่านก็เค้นเสียงออกมาสั่งคนดูแลวัดว่าพาอาตมาไปหาเจ้าอาวาสเดี๋ยวนี้นี่เป็นครั้งแรกในเวลาสามปีที่พระนุ่มได้ออกจากอาสมบนเกาะด้วยความเดือดดาลท่านบุกเข้าไปถึงห้องของท่านเจ้าอาวาส โยนม้วนแผ่นหนังโครมลงบนโต๊ะและเรียกร้องขอคำอธิบายทันเจ้าอาวาสผู้เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์หยิบแผ่นหนังขึ้นมาอย่างช้าๆกระแอมกระไอให้คอโลง่งแล้วจึงอ่านบทกวีนั้นพระหนุ่มผู้ไม่ประมาทปฏิบัติสมาธิภาวนาตามลำพังถึงสมปี ไม่เคลื่อนไหวอีกแล้วเพราะลมทั้งสี่แห่งโลกท่านวางม้วนแผ่นหนังลงจ้องมองพระหนุ่มแล้วกล่าวต่อว่าอืมแล้วยังไงละพอนุม่มลมทั้งสี่แห่งโลกไม่สามารถจะเคลื่อนท่านได้อีกต่อไปแต่เพียงแค่ลมตดเล็กๆทั้งสีน่นี้ยังเป่าท่านกระเจิงข้ามทะเลสาบ มาถึงนี่ได้